สังทำต่อไนดะ้เราจะได้เมื่อได้ต่อคำสองสอนจะพ่านกันขีดพากันขี้เกียจทำต า, า, ามจะสงจิตใจเพิเพลินมาทางอื่นมากเกินไปให้มีสติดูแลกายใจของตัวเองให้มากที่สุดเมืเ่อมอง ตากลับเข้ามาด้านในตาภายในแอติตาภายนอกก็หัดปองกลับมาด้านในจะมองไปหาลูกหารสหากินหาเสียงเอิดเพลินในกาลวะคนรู้จากสมหลวมเอินรีในพระประาริโมกเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทาตามข้อพระองค์อนุญาต สังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกเล่นกายใจในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นเรี้ยนรถถูกต้องกัฒนาอารมณ์ทีมากระทบัดเชื่แขงอย่าวันไหวอย่ารูปไปตามรูปตามรถจนถึงความพอใจไม่พอใจไม่จะติดรถของโลกที่ถูกโลกทับถมไม่ปฏิเสละ เราะเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องจึงฝึกตนสอนตนฝึกกายสอนกายฝึกใจสอนใจจะมีบทเรียนมากมายที่เกิดขึ้นกับกากับใจของเรานี่เอง่ผู้ใดได้บทเรียนและประสบพบเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกากับใจจะมีเป็นผ้าหูสูตร ไอ้ทเรียนเยอะแยะเพราะเรามีจตุจตุนี่เป็นตัวบทเรียนเป็นตัวศึกษาเป็นนักศึกษาต่อไปถึงนักถึงผลหํากการศึกษาที่เป็นทางโลกจะเป็นสมมุติปัญญาตวิชาการต่างๆาไม่ไม่ไปถึงนัคถึงผลได้ อาจจะเป็นที่ถีมาหน้ามีตัวไม่ตนมากขึ้นก็ได้อยากอา่านต้งสือพิมพ์สองสามวันนี่ก็ราชการชีเกตตกตกหูผู้ตรวจสแกนคนเข้าออกเมืองเข้าเมืองหาออกจะขึ้นเครื่องบินการตรวจเขาก็ตรวจ พอกโก้ตรวจอุปกรณคนนั่นก็มือตกหู <c oughs> จนหูแตกตกหูแล้วไมพอจับคอเสื้อตะคอกรูกจะ ก, กูไว้กูนี่เป็นข้ารายการชีเกตชีแปดมาสั่งมาสอนยอมตลอดก็ตะคอกเสื้อตกหูอีก หเห็นภาพหนังสือเพีมบน่อย่างนั้นลื่อการศึกษาศึกษาแบบมหาหางด้วนไม่มีคุณธรรมเหมือนอาจารย์พูดธทธาตแสดงธรรมว่าศึกษาแบบมหาหางด้ว น, นนั่นเราจึงบาศึกษาของเทืของเก่งที่มันเกิดกับตากับใจเรานี่ ให้เนความแท้ความจริงแล้วจะได้บทเรียนที่ดีที่สุดว่าไปมักไปผลมีสติมันก็เป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่โต้อตอบตรวจสอบทักท้วงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับลากับใจเราง่าย เห็นกายสว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวคนตัวตนโลกเขาไปทางนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมากับกายที่มันซ่อนขึ้นมากายในกายอันกายที่เป็นรูปนี้แล้วก็ไปของมันเองไปจูบความแจกความเจ็บควา ม, วามตายอันรูปบรรกายนี้เดีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่เราต้องศึกษาที่ต้องเห็นในบทเรียนเอาประโยชน์จากมานต่อยอดเอา มาไล่เนดีสร้างความเห็นชอบได้กันที่เกิดกับปลากับใจเรนี้อย่าปรสร้างความเห็นผิดเลือกเอาถลุงเอาย่อยเอาเห็นแล้วรู้แล้วนี่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของจริงมันเหมือนของไม่เที่ยงเอาทิ้งกับของไม่เที่ยงไตายได้บทเรียน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 ร่วมลุมกันสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติเราจึงเห็นว่าตัดประเด็นวันษานี่เวทนาศักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาให้ต่อภายในความรู้สึกตัวดึกๆจะได้บทเรียนได้ความแยบกายตรงนี้ ถ้จะอ่อนแอไปเชื่อมเสียงตรงนี้ถ้ามีผิดก็มีถูกตรงนี้หลุดพ้นก็หลุดพ้นตรงนี้ถ้าไม่หลุดพ้นก็ไม่หลุดพ้นตรงนี้เราหลุดพ้นตรงนี้บ้างไหมชีวิตที่เราเกิดมาที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ที่มันอาการต่างที่มันเกิดขึ้นเลยเข้าไปเป็นหรือได้เข้าไปเห็น ตามควมเป็นจริงไปโทษใครฉุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกหน่เป็นเช่นนั้นหรือชีวิตของเราแค่นี้ก็โยอมหรือ ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรสุกก็มาที่ไ ม, ไ ม, มไกกีไม่มีอะไรที่เป็นดุ้นเป็นก้อนทุก็บางมีอะไรที่เป็นดุ้นเป็นก้อน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 Yes. เวทนาจากว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเข า, จ, าจ้าตัวตนว่าจิตที่มันคิดมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับ ค, ความคิดเฉยๆเนี่ยเคยเห็นจิตที่มันคิดเรือเห็นความคิดตัวเองบ้างไหมหรือไปตามความคิดไปทั้งหมดห คิดอะไรคิดอะไรขึ้นมาก็เป็นตัวเป็นตนความคิดพาสร้างควบสร้างชาติคิดเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์วกปของความคิดเราเคยเห็นความคิดมีสติขณะที่มันคิดให้ เห็นเป็นจักแต่ว่าคิดเป็นจักแต่ว่าจิตไม่ใช่จัก บ, บุคคลตัวตนโลเขาให้ทำอย่างนี้ศึกษาหรือว่าศึกษาโตตอบทักท่วงตรวจสอบมันจะหลุดก็ไม่แก้ไม่ดุดตรงนี้มันก็ยังขุกนติดอยู่โซ่ไม่แก้ขัแ้แจไม่คลมันก็ไปไม่ได้ ไปจากถึงไปคือคื อ, คอหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นมันก็ไปได้อิสระภาพอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไปกิเลสตัณหาเป็นราคาก็ศักแต่ว่าธรรมไม่ใช่จัตุคคลตัวตนเราเขาบอกว่าหัวนอนเป็นสักแต่ว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความสงบความปิติมันก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอาการต่างๆมากมายที่มันเกิดพร้อมกันในสู่ในนามแสได้มาเป็นธรรมอาลมมันมีเชื่อมีสายร่วมกัน มันก็ขาดเท้ารวมมือกันทํางานขยันคนละแบบเพื่อให้มันเป็นพบเป็นชาติจนอุปทานยืดรูปก็ขยันสร้างขึ้นมาให้มีอะไรมากมายเวทนาก็ขยันสร้างขึ้นมาให้หมดเชื่อสุขเป็นสุขทุกข์ปนุกเชื่อของเวทนา แล้วก็ยืดว่าตัวว่าตนถ้าอันสุกันทุกนั้นสัญญาก็ติดจำเอาไว้จำเอาไว้บันทึกเอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้ข้อมูลที่เร็วๆซ้าๆให้ติดข้างเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ให้ข่าวให้ให้ข้อมูลไม่ดีแล้วก็ได้ภาพไม่ดี มันก็เลนชีวิตที่ไม่ดีแ้ให้ข้อมูลไม่ดีไายราคะก็ราคะจะลิลดข้อมูลไม่ดีฝ่ายโทสะ ก, ก็โทสะจะลิดฝ่ายโมหะก็เป็นโมหะจะหลดยิ่งใหญ่แล้วใช้มันสอกสอกสอกสอกจนเจริจนตาย นี่เร ว, ว่าสัญญาที่ให้ข้อมูลแก่ตัวเองไม่ดีไม่เคยให้ความรู้จักตัวให้ข้อมูลปล่อยใจเขาตัวไม่เคยฝึกก็ได้ไม่ได้พุทธจะจริดไม่มีพุทธไม่ตื่นไม่เบิกบานนี่แต่ชีวิตที่กระทบ เงินสอนเ้าหลงสอนใส่ให้เบิกบานสติไม่ตื่นจักทีอกอาคืนเป็นควานกลางวานันเป็นเปลวกลคืนว่าฝันกลางวานันว่าคิดหมกมุ่นคุณคิดฝุ่นผันผันแล่นอยู่จากนม่น่าจะเห็นที่เหมือนแสดงมาถ้ามีสติจะเปรียบเทียบได้เจนชืชีวัดได้ถ้ามีสติแล้วนะ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 ถ้าเราทุกข์เป็นทุกข์ก็มีกรรมในความทุกข์ถ้าเราโกรธเป็นโกรธก็มีกรรมในความโกรธถ้ามีราคาปงแฉงในกิเลสตัณหาก็มีกรรมรับใช่เกิดตัณห่าไปคนที่ผู้ศึกษาก็จะต้องรู้จักแวกออกไปเช่นนอยมันมีอีกจริงๆหรือรูปที่เป็นตัวเวทนาที่มันขยันที่มันเป็นสัญญาผูกเก็บด้ล่างดงลมระดา ไ, ได้ไหม เปลี่ยนมันนอนตัวมีสติสอนยาสังขารเรก็กย้อนปุงอยู่นิ่งไม่เป็นกายสังขารจิตต่อสังขารร่วมความปุงปุงแต่งแต่ ง, งเพื่อมาให้หมดเชื่อเหมือนนอนที่เขี่ยขึ้นมาบนโคตรมุดลงไป เกียร์ขึ้นมาก็มุดลงไปเห็นว่ามันมีความสุข <c oughs> ตอนติดในรูปวบธนาสัญญาสังขารใครเป็นวิญญาณก็ติดติดแบบนั้นต่างท่างที่ไม่เชอะไม่ถูกไม่ต้องก็ยังติดอยู่เวลาใดเกิดความไม่เที่ยงก็เึ่งเราไปทุกข์ ติดความทุกติดความมาเที่ยงมาเป็นทุกติดความทุกเป็นทุกโยอมถ้าเรามีสติเราจะแยกได้ทุกในนี้ยังมีสติเป็นเจ้าเรือนสร้างกรรมฐานขึ้นาแล้วก็จะทะหลงหรือว่าลือ้อถอน เกายจกว่ากาไม่ใช่สัตบุคคลโตตนเราเขาจะลื้อถอนโครงสร้างอันหนึ่งที่ทนาจากว่าเรทานามจะลื้อถอนสัญญาหรือจิตมันจะลื้อถอนทำ ม, มันจะลื้อถอนโครงสร้างออกเหมือนพระพุทธเจ้าได้เปล่งอุทานเมื่อตัดะรู้แล้ว ังขารแต่ก่อนนี้เราไม่มีสติไม่มีย้นอนยางรู้ถึงคอยถึงเวชนาถึงจิตถึงธรรมเราเล่นท่องเที่ยวไปกรรมฐานบบบ น, นี้เรารู้จักเจ้าเฉลียวอันเจ้าสังขารเรารู้จักเจ้าเฉลีวยวยอดเรือนเราก็รู้แล้วโพงเรือนเราก็รู้แล้ว เราไลื่อแล้วเจ้าสังขารจะทำให้เราอะไรไม่ได้อีกต่อไปจิตของเราสติของเราญาณของเราวิปัสสนาญาณเราได้เกิดเกิดแล้วจนพายถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานนี่คือพูดแทนเป็นสมนิม่าของขันธ์ห้า เราก็ได้สวดสาธิยายพะสูตร์ก็อะไรก็มาเหตนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ความเกดความเจ็บความตายเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นถูกทุกข์โดยโยยโยมัก็มีเท่านี้เมื่อมันมีอุปทานขันธ์ทั้งห มก็มือห้ามือหัวมันหันหลังให้กันกำมือดึงมันก็ไม่ติดกันละวันมันไม่มีโอถางก็หลุดพ้นได้เราหันหลังเนือใฉ้กันดูกมดูชิดดึงดูซิมันก็ไม่ติดถ้าเอามือหันหน้ามือขอกันดึงก็ติดดึงก็ติดสุดก็ติดมาถึงสุดทุกก็ติดไปถึงทุกโกรธก็มาถึงโกรธโกรธมันก็ดึงอยู่เนี่ย พอใจไม่พอใจดึงอยู่เนี่ยถ้ามันหลุดซนะมันก็มันก็จะพ่นหลุดพ้นได้จึงที่ว่าเรารู้จักเจ้าเสร็แล้วคงเรือนต้องเจ้าเราหักเสร็จแวยอดเดินหักเสร็แล้วเราจึงง่ายง่ายนะ ไม่ต้องขอแหลงขออะไรไม่ต้องมาอะไรทั้งหมดตามความเห็นมีสติเข้าไปใส่ใจสักหน่อยใส่ใจเมื่อเราทํางานทํา ง, งานที่เราใส่ใจมันก็จะชํานานหัดอะไรก็ใ ส, ส่ใจ ส, สักหน่อยทำใหม่อาจจะไม่ชำนานหรอกนะ ลอรู้จักตัวเนีมันจะหลงมากกว่ารู้ด้วยซ้ำไปเดินจังกงนาทีสงนาทีอาจจะหลงหลายข้งังสร้างจังหวะจังหวะหนึ่งวินาทีหนึ่งสิบสี่จังหว ะ, 1, ว 1, 14, จ, หวะจะหลงไปอาจจะครึ่งหนึ่งรู้อาจจะครึ่งหนึ่งส้างผัดใหม่ ไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างไปทางจมูกลรื่งกายใจบ้างลืมจังหวะที่ยกอยู่นี่แล้วก็กลับมาได้เอาบลเลี้ยงจากที่มันหลงนั่นแ่ะกลับมาตั้งไหวกลับมาตั้งไหวงนจัดจับดานแต่เมื่ อ, ก, อกลับมาลูตรงนี้ที่ว่ากรรมมาถาง ถ้าไม่กลับมาไม่เรียกว่ากรรมาฐานไม่มีที่ตั้งเป็นอตตกรรมพรกษกรรมที่ไม่มีผลเราจึงต้องใส่ใจสักหน่อยได้ปดเปลี่ยนจากวันหลงได้เปลี่ยนจากจริงที่ไม่ใช่สติตอันแหลมมากมายหางคนเอาจะมีมากเขาได้รู้มากกว่าคนที่ไม่มีปัญหามาก ไม่โบดไม่มีบทเรียนมากบางคนมีอะไรที่เกิดขึ้นปาเกลมากหรือใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ม, มามากอาจจะบาดปึกมามากติดอะไรบาบา้างและยิ่งดีมากจะได้รู้เห็นที่มันแสดงออก บ, บางคนติดบุหรีก็จะแสดงถึงอาการที่ติดบุหรี่คนยิ้มเล่าก็แสดงขินเล่าคนมีโทรศัพท์เฉลี่ก็จะแดนโทรศัพท์เฉลี อือว่าถ้าต้เห็นจริงๆก็ต้องหักดิบตรงนั่นได้ตื่นตรงนั่นได้กระโดดได้ตรงนั่นได้ถ้ามีสติดีๆนะดักดู ด, ดีๆเลย จ, จับได้ไล่ทันมันคนละเรื่องแ ล, ลว้วล่ะจริงๆ ระหว่างของลูกก็ความหลงทุกคนโตมันเกิดจากความหลงนี่แหละแล้วก็จับทานได้แล้วภาวะที่หลงภาวะที่ลูกนะี่ตรงกันพอดีเลยงั้นทางแยกเอาแยกผิดก็ไปไม่ถูกเรอกเอาไปทางแยกถูกก็ไปถูกหน่อไม่พยายามแยกให้ถูกเอาหลงให้เป็นลูก ทุกให้เป็นลูสุกให้เป็นลูอะไรก็ตามให้เป็นลูน่าสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจก็ไปผิดเลยเลยผิดเลยเลยประชมดานในความผิดประจามันก็เลยหลาดพลาดตรงที่มันผิด ผิดที่ใดก็ผิดทุกที่ ส, กสุกที่ใดก็ชุกทุกที่ทุกที่ใด ก, ก็ทุกทุกที่ไม่ได้บทเรียนถ้ามีใส่ใจดีๆจะมีบทเรียนบาทีพ่อจับบทเรียนได้ดีก็มันก็ไปทะลุทะลุทะลุทะลุไปหลายอย่างตามไม่ได้บทเรียนก็มืดพื้นมาปิดมาผิดมาหลายอย่างแปดด้าน ด้วมืดแปดด้านจนสุอบได้ด้วยมันทะลุมีเปลี่ยนต้นโตมันตะเดยงไกลกันเินทะลุแปดด้านเหมือนกันเห็นช่องเห็นทางใต้กระแสะแห่งพระนิพพาน เข้ากระแสแห่งพระอายะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งอันมีเกรดดหีหลงเป็นลูกเกรดเปนดีอะไรก็เป็นลูกเกรดดีเมื่อเกรดวันดีก็เลื่อนชั้นได้เขา้ามหาวิทยาลัยผ่านมหาวิทยาลัยได้เอาเกรไปอวดเลยขี้วัดเลยอ่านต้นชงวิปัญญาตเกตด สองปฏิบัติธรรที่บันอยู่กับเรานะ่ยเราต้องสร้างขึ้นมาไม่ต้องมีอะไรมาอ้างไม่ต้องมีเชื่อนมีสายมาจากที่อื่นไม่ต้องใช้สมงองเหมือนกับเกรดการศึกษามีแต่สติเท่านั้นที่เป็นเกรดพาไปถึงบัคถึงผลนะเราก็สร้างได้ทุกคนเอามือว่าววายบังเขา่าพลิกมือขึ้นก็รู้ เสงว่ามีหนอแล้วยกมือขึ้นลู่ยกมื อ, อ, อไปส4ีจักววาลู่ทุกจักววาเท่าเท่ากัาานหมดเหมือนกันหมดต้าศึกษาอย่างนี้ต้องเันเรื่องของตัวเองไม่ใช่มีคนอื่นช่วยได้เห็นเองตอบเองหลงเองก็ลูกเองทุกเองก็ลู่เองเป็นตำปลาเริ่มใหญ่กายใจนี่ เป็นหลักสูตรอยู่ที่นี่เพื่อไปถึงมรรคถึงผลสูตรของกายคู่ขรงใจถ้าจบก็ถึงมรรคถึงผลก็จบเป็นนะเหียนจบได้ไม่ใช่เหลียนไม่จบถ้าปฏิบัติกรรมฐานไม่จบเราจะท ำ, ทำไงทำงา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 เช่นเวลาเรานั่งยกมือสร้างจังหวามันก็รวมชีวิตทั้งหมดเวลาเรือนจงคมก็รวมมาให้เราได้เห็นทั้งหมดเป็นด่านเป็นช่องเป็นอะไรเป็นตะ ก, กะชิลา ของแหล่งการศึกษามีให้เห็นหมดไมาใช่เรื่องที่พายโมกเรื่องพายไหนที่มันเกิดกับการใจเป็นตักจกินลาของการศึกษาเพื่อสู่มั้งสู่ผลเก้าเท่ากันมาหมดทุกคนได้รูปได้น้ำมาอาการที่เกิดขึ้นกับรูปอาการที่เกิดขึ้นกอบด้ำก็เหมือนกันหมด แม้แต่วิธีปฏิบัติวิธีการศึกษาก็เหมือนกันหมดไม่ใช่คณะนั่นคณะี้คุศาสอดเป็นคณะเดียวถ้าจบสูตรนี่แล้วอันอื่นก็ง่ายคณะอื่นก็ง่ายหมอะแก่การงาน เราจึงต้องน่าจะพอใจภูมิใจต่ออย่างที่ทำให้เราได้ภูมิจยวัดราลา ม, ปรามประเทศไทยญาติโยมประเทศทายและเปรียบวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติมาให้เราได้ะดวง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 มีที่นอนมีที่ใช้ชีวิตมีอาหารจีนมีพระเจ้าเราสร้างไว้เป็นพิพิธเป็นนามูลเป็นนิติให้เราได้อาศายัยมีบาทไปเดียวเป็นมูลนิติสำนักสารูปเพศบรรดาชิตนักวช เป็นมูลนิธิของการใช้ชีวิตเพื่อการไปสู่มรรคสุผลไม่ลำบากเราต้องสนุนส่งเสริมเราในแต่สิ่งที่สำหรับสนวนให้เราได้ปฏิบัติประมาทไม่ได้อายอายตัวเอง เวลาได้เห็นคนยกมือไหว้ก็ประมาทกัได้ก็ทำให้เราได้กวงบริสุทธิ์ได้ไม่ประมาทในพัฒนาชีวิตของเราจากสิรรมล้อมจากศรัทธาจากศีลจากธรรมเบ่งเรา ได้ปฏิบัติได้พบเห็นอาการที่เกิดกับปากับใจก็ยังมีชีวิตชีวาเหมือนกับคุ้มค่าที่เข้าสุกน้ำแ จ, จงทิศตาญาโจงอุปธรรมบำรุงเราโอ้เพื่อการนีหนอทำเวีหน่อยให้เบียบเวีนนายมันเพื่อให้เราได้ทำอย่างนี้หนอก็ตื่นร้น แม่แต่มองถึงธรรมชาติของคนเพร่อแม่ให้กําเนิดเกิดมาเาเพื่อการนี่เนาก็มางอย่างบางทีพ่อแม่ทำอะไรไม่ได้ก็วางลูกเอาไว้วางเอาไว้ไม่ให้หมดพันุ์ให้เหลืออยู่เพื่อให้มันมาทำอันนี้เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับผู้อยู่บนน้ำ บบกให้เราอยู่ชมเอาเลยลูกเอาเลยโลูกเอาเลยเอาเลยสู้สู้เหมือนว่าอย่างนั้นว่าเราทำาอะไรลงไปที่มันถูกต้องเหมือนกับว่าแล้วคุ้มค่าเวลาเราหลุดพ้นจากอลไรมันคุ้มค่าคิดถิพันพ่อแห่งแม่ไม่เคยหลุดพ้นไม่เคยรู้เรื่องนีง ก็ทำเผื่อพ่อเพื่อแม่ทันทีหรือเปลเอ้านี่ม be exact. Be exact. ือข้างนี้เจีบนี่เป็นของพ่อของแม่หายใจเป็นของพ่อของแม่ล้วจะมาทํากรรมดีเราจะมาทํากรรมดีมันก็ตือนลือลนอง์อาแก้วก้าสังหาราศีนี่ลูกของพ่อนี่ลูกของแม่ลูกสาวของคุณพ่อลูกสาวคุณแม่ลูกชายของคุณพ่อลูกชายของคุณแม่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 มีทำแปดหมื่นสี่พอย่างเป็นกุศลศาสต์ศูนย์เราเป็นอกุศลเป็นบทเตียนให้เราได้ศึกษาเราก็ได้ประโยชน์จากมันเราได้เตียนรู้จากมันได้ปัญญาจากมันแต่ก่อนปัญหาเป็นปัญหาปฏิปัญหาเป็นปัญญาแล้วก็ลึกซึ้งจิตใจ แต่เปลี is, ่ยนอะไรที is, es, uit, ant, ่มันไม่ดีในกายในใจมาเป็นความดีเอ้าข้างกับแม่นยำชัดเจนได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก้าวไปได้พุนไปเอาไว้หลังรวมหลงไว้หลังควมทุกข์ไว้หลังควมโกรธความรักของช้างอะไรก็ตามเอาไว้หลังเอาไว้หลังมันก็ปรากฏว่ามัน หลุดพ้นอย่างนั้นจริงๆปฏิบัติธรรมให้เราใชา้ใจถ้าเราไม่หลุดพ้นเราจะเดินอะไรเดินทำไมหลายคนเดินทางาย่ำเท่าอยู่ไม่รู้จะเดินทำไม อ, บ อ, บอาบแดดอาบฝนเหงอไหลขย้อยไม่ได้ไปที่ไหนสติเหมือนกันเดินทางเพื่อความหลุดพ้น พ้อะไรพ้นความหลงพ้นวมผิดพ้นควมถูกพ้นความชูกพ้นความทุกข์พ้นคมจุดหมายประดางพ้นการเกิดกเกลียเจ็บตายก็ถ้าไม่หลุดพ้นทำทำไปถ้าไม่สำเร็จจะทำกันทำใหม่เทาเจ้าก็าหลอกเราเลยทำไม่ไหนหลอกเราเลยสัมผัส ด, ดูสิ โอมมนุ์นเกิดศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ง่ายๆแลก็ไม่เปีเ่ยวเดียวดายเยอะแยะโตผิดตรงนี้เออก็ เ, เห็นอ้าสมัยก่อนพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นก็มาก็ผิดตรงนี้ก็แช่ตรงนี้นะมันหลงตรงนี้ก็เช่ตรงนี้นะ ยูนมีทำเรืองไหนขึ้นมามากมาสอนเราลอยพระพุทธเจ้าลอยทำลอยพระอรหันต์เวกายจัากรวาลไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพูะเจ้าจะเห็นตอนนี้จะผ่านตอนนี้ก็ได้ทําอย่างนี้เวทานาจากว่าเวทานาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา โอ้โหที่ย่อกรทําน้านี้ง่ายง่ายอย่างนี้น่ยอู่นใจนะเราจะจังแหมฉุกเป็นฉุกอยู่นั่นเองพระเจ้าไปทางนี้แล้วไปทางนี้แล้วไปด้วยกับพี่เจ้าเลยอย่ามานั่งเอ้าหน้างอนอยู่เวลามาขกก้ามเกียร์ก่อนั่งนะข้ามเยือรอยู่เชนั้นเป็นเวทนาทุกเวทนาโอ้ยไปแล้วพีว่เจ้าเห็นเวทนาสักเวทนามาเชิตุคนนั่นนี่น่าจะกระโดดออกไป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 เราจะมาเกิดขึ้นมองตรงกันข้ามทุกกรณีอย่ามองแบบจนๆตรงกันข้ามทุกเรื่องมันม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวไอ้ใช่จำนวนหรือยอมได้ทุกอย่างอเอาเลยเอาเลยอาโจมกำลังหุงข้าวให้เรากินอยู่นู่น ไปเวียนเทป บ, บาทเจ้าเรยมจะเตรียมอะไรไว้แล้วสนับสนุนเราเราคงก็คิดต้นชิดนี้ไว้แล้วแล้วจะไปอยู่วัดภูโคาทองอันยา่าชมมาหาทั้งส <c oughs> <c oughs> ามคนโอ้มาจากไก่จกักไก่ไหนเขาคิดถึงเราเกามาหามาสนธนาทำกันน่า โอมีคนสรงถนนเมือ่อกาบมาว่ามีคนเห็นด้วยนนา ม, มาทีท่เอาแผ่นทองมาขอแผ่นมุจติมงคลจะไปหล่อพระพุทธรูปเอาแผ่นทองมาให้เส้นหนังสืออะไรก็ได้จะเขียนอะไรก็ได้เอาเหล็กจานเหล็กนั่นมาให้ด้วยแล้วก็เขียนอย่างภาคภูมิใจว่า ไม่เป็นอะไรกับวเนลาเขียนเฉลยทอไม่เป็นอะไรกับเวลาอ่านเขา อ, อ่านโอ้โหสุดยอดนะเนี่ยไม่เศร้าพอใจมากเราะว่าไม่เป็นอะไรกับเวนะมันเหนือทุกอย่างแล้ว <c oughs> แล้วลก็ม <c oughs> ีแต่สิ่งสนับสนุนเรา เวลานาทีก็สนับสนุนเราเจ้นวัดป่าสุขโตก็สนับสนุนเราจะชบไม่คุบใครเลยทั้งหัดก็ไดอยู่คนเดียวหลบปลีกไปวิเว ก, กได้ทุกโอกาสเวลาฉันก็มาฉันตอนเช้าเจ0ดโมงขึ้นตอนเที่ยง1 1บ0โมงมาฉันหน้อาทีก็มีสถาจากภาพสร้างกติกให้ ทาไฟทำน้าให้ม่ชัยมาทําไปผ้าใต้ดินให้สายเท่าแขนเนี่ยทั่ววัดห้าร้อยไร่น้ำปลาป่าน้ำไปให้ใช้เปิดได้เป็อโอกาสถ้าไฟแม่ดับเพื่อความสะดวกในกรรมฐานจ้งใชไม่ใอยเงินคนตามสนุนอุ้ย ไม่น่าจะที่เกิดชี้ขาดขยันหมั่นเดพีนรให้ผิงชนะศูนย์นนเรามากมายอ่หลวพ่อก็เคลียหลวพ่อก็จะเป็นมิตรจะพาไม่จะไม่พาหลงทิศหลงทางเพื่อนมิตรมาจากประเทศจีนมาจากศรีลังกาสอง อ, อุ่นใจดีเพื่อนมิตรประเทศมากกวชมีประเทศ แต่รสชาตินี่วันนี้ก็จะมีชีวิตรเราไปพม่า ก, กันเราไปดูชีพพมา่าน้องตาก็มีคนได้มวนไปพมา่าจะไปไหวไหมเนี่ยฮะเงี้ยได้วนไปเที่ยวพมา่าพอดีกับวัดปา่าตุูโตจะไปพมา่า แต่ว่าไม่ไปเขานี่หรอกถ้าไปกขาดูท่าทางทีก่อนก็เป็นพระต่อคนอื่นพวกเราอยากให้ไปไหมชีวินะ <c oughs> ก็กราลบพวกเรานะก็ลบมิตรเพื่อนมิตร ม, มัดปาด่าสกโตที่ช่วยชีวิตเราลอดมาถ้าเพื่อนห้ามก็ไม่ไปถ้าเพื่อนไม่ห้ามก็ไป อ่อก็รบเพื่อนอยู่เนอะถ้าจะให้ไปก็ไปคิดว่าไปได้นะแต่ว่าอยาให้ไปแสดงทํามเผยแผ่ไปไม่ได้นะพูดได้แต่ต่อจัดเช่าที่นี่เท่านั้นไปพูดนอกจันี่พูดไม่ได้นะเพราะ น, นั้นจะไม่รับการแสดงทําประจวบประชันไม่ไปถ้าไปเล่นๆไปเที่ยวไปอิตาลแบบนั้น ไปได้จะคิดว่าแต่ถ้าไปรับงานรับการรับผิดชอบอย่างคนเดวไว้มัาามนอนเฝ้าอยู่สองเดือนมาจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามันนิมนต์ไปสักห้าปีบอกว่าไปไม่ไหวายมันแฉแล้วไม่แฉ ย, ยังดีอยู่เพราะว่าเราแฉเขาว่าเราไม่แฉ ย, ยังแขง็งแรงยังแขง็งแรงนอนเฝ้าอยู่สองเดือนหลังนันไม่ไปเลย อ้าวพ่อเล่นๆเลยครับมาต้องกัน